Book 2 9เก้าสห้าคำสันธานสองคุงกูเนอเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไรนอร์สลุตตุนอว์ยอบเบตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ สิ้ดัใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานใช่งหัแต่งนเธอ่เ่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลยงาตนังองีแต่ักเธอแต่งงานลอแต่าักเธ่งาจอแต่งงักเานหจากตักงนกเแต่าัีเธอแต่งงานหลกเธอ่าทีงานอีกเลก s ั d ง n de k วก er n ขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยตั้ง n ต e พวกเขามีลู r พ s ก e l d e n บไเธอโทรศัพท์มาตอนไหนขามขัขบหับห ใช่ขณะที่เธอขับรถอเมนส์ซงขี่ i l เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถเธอโัพท์ขณะที่เธอรดเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผเธอดูโทรทัขณะที่เธอทีดผาดนท ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นวัดฉเร้งนั่นคือการฟังกเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก tar je, det เราจะันตกเรานทาเราจะงเราจะนทกถ้าเรานทกถ้ากเราจะกถ้าตเรากตอรี่ถ้าฝนตกเราจะนั่ง t ทีถ้าฝนกเดี่ถ้ากเราั่งแี่ถาเาังไม่มา